วาเลนไทน์วันแห่งการฉุกคิดถึงความรักที่แท้จริงคนมักอยากรู้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือรักแท้หรือรักเทียมรักแรกพบเมื่อคบกันจริงนานไปยังรู้สึกสุดพิศวาสเหมือนแรกรักได้ไหมวันวาเลนไทน์เป็นวันมงคลในทางโลกและน่าจะเป็นวันแห่งการฉุกคิดถึงความรักที่แท้จริง อันถักทอขึ้นจากเหตุแห่งความผูกพันระยะยาวไม่ใช่ก่อตัวจากเหตุแห่งความผูกพันระยะสั้นหลายคู่รักในอดีตที่แก่เท่าไปด้วยกันบนเส้นทางแห่งความสุขความรองดองไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีวันวาเลนไทน์อยู่ในโลกไม่ทันนึกด้วยซ้าว่าอุหลาบคือตัวแทนหัวใจไม่จดจาด้วยซ้าว่าวันไหนมีความหมายที่สุดนั่นคงเป็นเพราะ ผู้ที่ประสบความสําเร็จทางความรักมีทุกวันที่ส่งความหมายมีทุกวันยืนเคียงข้างในเขตบุญกันอยู่แล้วถ้าจะถามหารักแท้อย่าวัดใจตัวเองด้วยความรู้สึกบุบบั บ, บ, บอันใดแต่วัดความเต็มใจนึกอยากทําบุญด้วยกันร่วมทั้งทุกข์ร่วมทั้งสุขถึงน่าจะนิยามเรียกเต็มปากว่ารักได้เช่นพองุดหงิด ง, งอนพองามแล้วคิดคืนดี ชวนพูดเรื่องดีให้หลืมเรื่องแย่แค่นั้นก็เรียกว่าอยากทำบุญด้วยกันแล้วพอเห็นอีกฝ่ายลำบากแลอยากยืนมือเข้าช่วยแค่นั้นก็เรียกว่าอยากทำบุญด้วยกันแล้วพอเห็นใครอื่นนอกบ้านตกยากแล้วร่วมคิดร่วมหาทางสงเคราะห์แค่นั้นก็เรียกว่าอยากทำบุญด้วยกันแล้วพอมีวันว่าง และอยากเดินทางไปทาบุญใหญ่กับวัดดีอย่างนั้นก็เรียกว่าอยากทาบุญด้วยกันแล้วถ้าแค่ไปสนุกด้วยกันในวันนี้ก็เท่ากับใช้วันมงคล น, นี้สร้างความผูกพันผิ ว, ผ, วผิวทางกายแต่ถ้าทาบุญด้วยกันในวันนี้ปฏิญาณร่วมกันว่าจะทำวันนี้ให้เป็นจุดเริ่มย้อนสอนกิเลส ท, ที่เคยทำไม่ดีต่อกันจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามหันมาทาดีต่อกัน จะ อ, อมชอมในทางบุญทางกุศลจะไม่ขัดใจกันด้วยการทำงานกับทั้งพยายามรักษาศีลให้เสมอกันก็เท่ากับใช้วันมงคล น, นี้สร้างความผูกพันดีๆทางใจแค่อยากทำบุญด้วยกันก็จะอยากเห็นหน้ากันอยากมีการและกันอยู่ใกล้ๆ ก, กันตลอดไปก่อให้เกิดหลักฐานทางความรักมากมายเป็นเครื่องหมายของรักแท้ได้ทุกวัน